บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธ ศ, ศาสนิกชนทั้งหลายเสืบอต่อไปในวันก่อนนั้นได้กล่าวถึงหลักปฏิบัติอนาปานาสติกรรมานคือการกำหนดสติระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกตามวิธีที่ พระภูมิพระภาคจะได้ทรงแสดงไว้ในอาณาปานสติสูตรเป็นต้นแต่ว่าในการปฏิบัติที่เรียกว่าอาณาปานสตินั้นอุปกรณ์ที่จะต้องใช้และถือว่าสำคัญคือบุคคลจะต้องมีความเพียรพยายามที่แรงกล้าพอสมควรเพราะเป็นเรื่องการฝึกปลือจิต ซึ่งโดยปกติแล้วก็มักจะตกไปในอารมณ์ที่ใคร่ที่ปรารถนาที่พอใจอยู่จะให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์ที่ตนต้องการนั้นถ้าหากว่าความเพียนหย่อนแล้วโอกาสสงบจะเกิดขึ้นไดย้ยากประการที่สองคือต้องมีสติได้แก่ความระลึก พันตามลมที่ตนกําหนดระเลิกไปและมีสำบรรชนะซึ่งแปลเป็นภาษาบาลีสำนวนบาลีว่ารู้ทั่วพร้อมคือหมายถึงว่ารู้ว่าในขณะนั้นใจของตนอยู่กับลมหรือไม่และรู้ทั่วทั้งตั้งแต่ลมเข้าไปแล้วก็ลมออกมา พร้อมกับการระลึกไม่ใช่ว่าหลังจากระลึกไปตั้งนานพลาดไปแล้วถึงไปรู้ทีหลังแต่ต้องเป็นการรู้ทันทีทันใดข้อนี้ท่านผู้ฟังได้โปรดสังเกตว่าการทำงานอะไรก็ตามถ้าหากว่าบุคคลสามารถระลึกรู้ พร้อมกับสิ่งที่เกิดขึ้นความผิดพลาดก็จะไม่เกิดขึ้นเช่นการเขียนหนังสือก็มีการระลึกรู้พร้อมกับการเขียนถ้าหากว่าเขียนไปไม่มีการระลึกรู้พร้อมกับการเขียนแล้วโอกาสที่จะผิดนั้นมีง่ายแต่ในการเขียนหนังสือเนื่องจากว่า ได้มีการฝึกปรือการกระทํากันมาจนชินแล้วบุคคลจึงไม่ค่อยรู้สึกว่าตนได้ใช้สติและสัมปชัญญะไปมากในเรื่องเหล่านี้แต่ถ้าหากว่าบางคราวที่ทำไปแล้วก็ใช้สติสัมปชัญญะไปอย่างไม่ค่อยจะสมบูรณ์นักในขั้นของการเขียนหนังสือก็มีผิดพลาด ต้องมีการสวดทานต้องมีการแก้ไขนี้แสดงเห็นว่าสติกสัมปชัญญะที่ใช้ไปนั้นยังไม่อยู่ในขั้นที่น่าพอใจแต่ถ้าอยู่ในขั้นที่น่าพอใจคือระลึกระลึกรู้ทั่วพร้อมแล้วความผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้นสิ่งที่เขียนไปแล้วไม่จำเป็นจะต้องมาอ่านทบทวนอีกซึ่งแน่นอนต้องอาศัยการฝึกปรือเสริมสร้าง ในด้านสติด้านสัมพชัญญะโดยความเพียรพยายามที่มากเป็นพิเศษในการปฏิบัติกรรมฐานจุดมุ่งหมายซึ่งใช้ปฏิบัตินั้นก็คือต้องการขจัดอารมณ์สองประการที่ทรงใช้คำว่าอภิชาและโทมนัน้น คือหมายความว่าใครจัดความรู้สึกอยากได้และความคับแค้นใจความเสียใจตลอดถึงความอาฆาตปยาบาัตให้ออกไปจากจิตใจซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นจากจิตที่ตั้งไว้ผิดวิธีของกรรมฐานจึงนำจิตมาตั้งไว้ในทางที่ชอบ โดยเริ่มต้นอยู่ที่ความสงบอารมณ์ของอนาปานาสติกรรมฐานที่ใช้ไปเพื่อทำใจให้สงบนั้นบางคราวก็มีปัญหาคือคนบางคนอาจรู้สึกว่าตนปฏิบัติวิธีนี้ตามไม่ค่อยทันเช่นตามลมหายใจเข้าไปเนี่ยทั้งเข้าทั้งออกคือตามทั้งเข้าทั้งออกอยู่เลยกำหนดระลึก มันดูไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันดูยากวิธีของชาวบ้านทั่วไปอย่างในฝ่ายของมายานเขาก็นำโอลูกประคำเข้ามาประกอบในการทำความสงบซึ่งว่าที่จริงก็เป็นหลักอย่างหนึ่งของอนาปานสติโดยปกติแล้วรูปประคำนั้นจะมีอยู่ร้อยแปดลูกถ้าคนเผลอ นับบางคราวก็เกินบางคราวก็ไม่ถึงแต่เขาจะนับจนลงร้อยแปดทุกทีจะนับยังไงแม้จะเสียงบรบกวนอะไรเขาก็นับลงได้ร้อยแปดทุกทีแสดงว่าสมาธิเขาดีในด้านนี้และต่อแต่นั้นเขาจะเปลี่ยนออกมาเป็นการดูลมแต่ว่าฝึกมาจากสิ่งที่เป็นรูปวัตถุ ก, ก่อนออในด้านของ การตามลมนั้นต่อมาพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายท่านได้สวจสอบได้ทดลองปฏิบัติแล้วก็หาแนวที่จะหาให้ใจข้องตนเกิดความสงบไปสรุปแล้วก็รวมเป็นหลายวิธีด้วยกันแต่ว่าเรื่องวิธีก็คือวิธีบุคคลไม่ควรจะไปติดใจในเรื่องวิธีการเหล่านั้น วิธีนั้นเปรียบเหมือนถนนที่นำคนไปสู่จุดหมายปลายทางอันเดียวกันใครอยู่ในส่วนใดก็มาจากส่วนนั้นซึ่งในกรณีนี้หมายความว่าใครมีความพอใจมีความยินดีที่จะใช้อารมณ์ใดให้เกิดความสงบก็เลือกวิธีนั้นเพราะในขั้นของสามปชัญญานั้น ท่านยังได้แสดงออกไปว่าบุคคลจะต้องรู้ถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์แน่นอนอารมณ์แต่ละอารมณ์นั้นเป็นประโยชน์คือนาไปสู่ความสงบแต่ว่าเป็นเรื่องของหลางเนื้อชอบหลางยาเหมือนกัญาบางชนิดเหมาะกับคนบางคนแต่บางชนิดไม่ถูกกัน เพราะฉะนั้นคนต้องแยกให้ได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ในครั้นนี้รวมหมายถึงการแยกในเรื่องอื่นด้วยข้อต่อไปนั้นเรียกว่าโครจระสัมปชัญญะคือต้องรู้ฉลาดในโครจรของกายและของจิตคือการไปของกายนั้นจะต้องดูว่าไปในที่ใด มีลักษณะที่เสริมกิเลสก็หลีกเลี่ยงสถานที่ดันโวหารทางศาสนาใช้คำว่าอโคจรคือสถานที่ที่ไม่ควรไปในด้านโคจรของจิตก็เหมือนกันต้องฉลาดควบคุมความคิดไปอย่าให้จิตใจไปยินดีในเรื่องของกามราคะในเรื่องของพยาบาทหรือว่าฟุ้งสายไปมากนะัก เพราะ ถ, าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วจิตจะคุ้นเคยกับอารมณ์เหล่านั้นบางคราวจะดึงกลับมาหาความสงบจะทาได้ยากแล้วข้อต่อไปท่านเรียกว่าสัพปายะสัมปชัญญะคือจะต้องรู้สิ่งที่สบายสมัต้นเองว่าสถานที่ใดสามารถทําใจให้สงบได้สำหรับตนก็เลือกสถานที่นั้น เรียกว่าเสนาสนะสัปปายะในด้านอาหารก็จะต้องมีลักษณะที่อํานวยให้เกิดความสงบเพระาะฉะนั้นการบริโภคอาหารจึงต้องไม่มากเกินไปเพราะถมากเกินไปจะตกไปในความง่วงแต่ต้องไม่น้อยเกินไปเพราะถ้าน้อยเกินไปจะตกไปในลักษณะฟุง้งซ่าน ข้อต่อไปก็คือบุคคลที่ร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยกันจะต้องมีลักษณะที่อำนวยให้เกิดความสงบที่เรียกว่าเป็นกัลยะาณมิตรและประการที่ต้องการจะพูดในที่นี้ก็คือว่าธรรมสัพยาได้แก่ตัวอารมณ์ที่กำหนดระลึกว่าจะใช้อะไรและใจสงบ บุคคลก็พิจารณาเลือกอารมณ์เหล่านั้นเข้าไปประพฤติปฏิบัติข้อสุดท้ายเรียกว่าอสัมโมหะสัมปชัญญะคือจะหลงถ้าหลงก็ต้องรู้แล้วต้องรู้ให้ทันเหมอนการปฏิบัติกรรมฐานเป็นการกำหนดวิถีเดินของจิตมันก็เหมือนกับการขับรถคือถ้าแยกผิดหลงทางแล้วก็ผิดกันไปใหญ่ เรื่องเหล่านี้ถือว่าเป็นปัจจัยประกอบที่มีความสำคัญซึ่งผู้ปฏิบัติจำเป็นจะต้องมีจะต้องสร้างให้บังเกิดขึ้นเอ่อทีนี้วิธีปฏิบัติของอนาปานสติกรรมฐานที่ว่ามาแล้วนั้นท่านยังได้จำแนกออกไปหลายวิธีด้วยกันแต่ก็มีเป้าหมายเดียวกัน วิธีแรกดังที่ได้กล่าวมาแล้วในวันก่อนคือกําหนดสติระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกจะยาวหรือจะสั้นก็ตามก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้าออกยาวหรือสั้นก็กําหนดรู้ไปเรื่อยโดยตั้งสติระลึกตามลมทั้งเข้าทั้งออกคือให้แนบอยู่กับลมหายใจเข้าออกไม่ได้คิดไปในเรื่องตัอื่น วิธีต่อไปนั้นท่านเรียกว่าการตั้งลมไว้เป็นสามฐานคือสามจุดจุดแรกก็คือจุดที่ลมกระทบตอนเข้าและตอนออกซึ่งลมจะกระทบในตอนใดก็เป็นเรื่องที่จะต้องตรวจสอบเอาด้วยตนเองจุดที่สองก็คือตรงหัดไทยตรงหัวใจ จุดที่สมก็เหนือนาผีขึ้นมาเออที่พูดนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นหลักของสรีระวิทยาอะไรแต่ว่าในความรู้สึกของคนเรานั้นก็มีความรู้สึกว่าลมกระทบที่ปลายจมูกริมผีปากแล้วตอนเข้าก็จะเข้าผ่านไปทางหัวใจแล้วก็ลงไปดับหายที่เหนือสะดือ แล้วจะก่อตัวขึ้นมาจากนั้นเองก็กำหนดระลึกไว้เป็นสามจุดจังนี้ซึ่งก็หมายความว่าคล้ายๆกับว่าบุคคลขีดเส้นขึ้นสามเส้นแล้วก็ลากเส้นนั้นด้วยมือกลับไปกลับม า, าช่วงแคบเข้าโอกาสที่เส้นจะตรงนั้นทาได้ง่าย แต่ได้โปรเข้าใจว่าวิธีนี้ก็เหมือนกันเป็นวิธีที่ฝึกจิตให้คุณอยู่กับจุดที่ลมกระทบสามจุดจิตยังคงวิ่งอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็ทำไปจนกว่าจะเกิดความสงบวิธีต่อไปท่านเรียกว่ากนานาคือการนับ เอาซึ่งการนับนั้นท่านกำหนดเอาไว้ว่าอย่าให้มากเกินไปเราถ้ามากเกินไปแล้วก็จะเฝือ่อแต่อย่าให้น้อยเกินไปเพราะจิตจะไม่ตั้งจะไม่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ที่ตนต้องการโดยกำหนดให้นับเป็นคู่คู่หายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้านับสองหายใจออกนับสอง สามสามแล้วก็ตั้งต้นใหม่1นไปถึง6กกลับมาตั้งต้นใหม่อีกหนถึงเ7กลับมาตั้งต้นใหม่หนงหนึ 1, 1, ถึงแปแล้วก็1นึ่งถึงเก้าถึงสิบสแล้วมาตั้งต้นใหม่1นหนึ่งถึงห้การนับในลักษณะนี้สามารถตรวจสอบความส ง, งบหรือไม่ส ง, งบได้คือในขั้นของการนับ อหนึ่งสองสามสูตรมากไม่ค่อยพลาดแต่จะพลาดในขั้นของชุดคือหมายความว่าชุดนี้เราจะนับหนึ่งหนึ่งถึงเจ็ดเจ็ดแต่เกิดไปเผลอไปเป็นแปดแปดหรือเกิดลังเลตอนหกหหรือแม้จะลังเลตอนเจ็ดเจ็ดก็ตามถือว่าใจไม่สงบ ก, ก็นับจนมั่นใจไม่พลาด วิธีนี้ว่าที่จริงก็คล้ายๆกับการนับรูปประคำดังที่กล่าวมาแล้วแต่การนับวิธีนี้เป็นเรื่องของนามธรรมเท่านั้นเองเมื่อบุคคลสามารถส ง, งบอยู่กับลมหายใจเข้าออกได้ใจก็จะรวมอยู่ที่การนับนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งวิธีที่สี่นั้น คือการตั้งสติระลึกหายใจเข้าวะพุทธหายใจออกว่โธคือบริกรรมว่พุทโธแท้ที่จริงพุทโธนั้นเป็นตัวพุทธานุสติอยู่อยู่แล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นบุคคลสามารถที่จะนำบทพุทโธมาภาวนาคือหายใจเข้าว่าพุทธ อาจจะออกวาโตพุทธโภพุทธโธอยู่ด้วยที่จริงจะใช้อะไรก็ได้คือจะใช้ธรรมโมจะใช้สังโฆหรือแม้แต่สัมมาอารหังอะไรที่เขาว่ากันแต่ที่ท่านใช้พุทธโธนั้นเนื่องจากพุทธโธมีนัยกว้างขวางแล้วก็ทาให้ใจนึกถึงพระพุทธเจ้าได้ง่ายเพราะว่า เป็นพระนามของพระพุทธเจ้าที่สำคัญก็คือว่าช่วงหายใจนั้นจะไม่ยาวจนเกินไปเพราะถ้าเอาพระพุทธคุณบทอื่นมาว่าเช่นวิชาจารณะสัมปันโนอย่างเงี้ยไม่ไหวทำให้หายใจยาวแล้วก็จะเหนื่อยก็สรุปว่าให้มีคำสองพยางแต่ว่าคำนั้นให้เป็นคำที่ สามารถเป็นสื่อให้เกิดความสงบได้ไม่ใช่เป็นนึกถึงสิ่งที่ใจตนมีราคะมีความกำหนัดอยู่ถึงแม้จะสองพยางก็ไม่ได้แล้วเมื่อปฏิบัติไปโดยวิธีนี้คือทั้งสีวิธีนั้นจะเลือกวิธีใดก็ไ ด, ได้พอมาถึงจุดหนึ่งนั้น ก็ให้กำหนดระลึกอยู่เฉพาะจุดที่ลมกระทบลมกระทบตรงไหนกระทบที่ริมฝีปากหรือก็ดูเฉพาะที่ริมฝีปากกระทบที่ปลายจมูกที่กระพุ้งจมูกก็ดูเฉพาะจุดนั้นไม่ไปในที่อื่นแล้วก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับลมเข้าลมออกอะไรเลยดูเฉพาะที่จุดซึ่งลมกระทบ ข้อนี้ท่านอุปมาว่ามันเหมือนกับช่างกลึงหรือว่าคนเลื่อยไม้กะไกันคนเลื่อยไม้นั้นเขาไม่ต้องไปดูปลายเลื่อยแต่เขาจะดูเฉพาะที่ฟันเลื่อยกระทบกับเส้นบรรทัดดูดูอยู่จุดเดียวแต่ว่าสามารถเลื่อยไม้ให้ตรงได้ทั้งหมด พระจ่าใดที่ฟันเลื่อยอยังกระทบกับเส้นมันทัดจุตรงอื่นก็ชื่อว่าตรงด้วยไม่จาเป็นจะต้องไปดูที่ปลายอุปมาอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนกับว่าคนที่เฝ้าประตูทาหารอยู่ยามอะไรเนี่ยคือเขาต้องมีหน้าที่รู้ว่าใครเข้าใครออก แต่ว่าเขาเข้าไปแล้วจะไปไหนออกแล้วไปทำอะไรไม่ใช่หน้าที่ของยามายามไม่ต้องไปรู้กำหนดระลึกกันอยู่อย่างนี้จนกว่าความสงบจะบังเกิดขึ้นส่วนจะเลือกวิธีใดนั้นแต่ละวิธีไปสู่ความสงบเช่นเดียวกันทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครระลึกอะไรแล้วสบายก็ให้ระลึกอย่างนั้น หรือแม้แม้บางคนจะเปลี่ยนวิธีเป็นกําหนดให้จิตนิ่งอยู่กับอะไรสักอย่างหรือความคิดสักอย่างหรือกําหนดระลึกไว้ที่ที่ใบหน้าของตัวเองกําหนดระลึกไว้ที่ปลายจมูกที่ระหว่างคิ้วที่หน้าผากที่อะไรเนี่ยหรือกําหนดให้อยู่กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งสักอย่างก็ได้ ซึ่งหมายความว่าทั้งหกอย่างนี้เป็นเพียงวิธีเท่านั้นแต่ละวิธีนำไปสู่ความสงบเหมือนกันที่ได้เสนอไว้โดยพิสดารนั้นก็เป็นเรื่องเผื่อเลือกอาการจะเลือกดูว่าอารมณ์อันใดที่เหมาะสมแก่ตนนั้นก็น่าจะทดลองสักษีห้าครั้งหนึ่ง ครั้งครา ว, ราวหนึ่งอาจจะสิบผ่านาทียี่สิบนาทีลองใช้ว่าวิธีไหนที่โน้มน้อมไปหาความสงบได้เร็วก็เลือกวิธีนั้นประการสำคัญที่จะต้องสนักไว้อย่างหนึ่งในการปฏิบัติกรรมฐานก็คือว่ามันเหมือนกับการปลูกพืชคนเราทำได้ขนาดไหนขอบขายของคนทำได้ โดยการปลูกพืชโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยอะไรตามกรรมวิธีของการปลูกพืชแต่ว่าพืชจะแตกหนอ่อแตกดอกแตกใบแตกกิ่งออกลูกออกดอกนั้นเป็นเรื่องชนิดของพืชเป็นเรื่องประเภทของพืชเหล่านั้นคนไม่สามารถที่จะไปบังคับกระเกณเร่ง ให้ได้เป็นไปตามที่ตนต้องการได้แต่ว่าเรื่องพืชนั้นในปัจจุบันอาจจะมีกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์เข้าช่วยได้แต่ว่าใจนั้นเราไม่รู้พื้นฐานเดิมคืออัตยาสัยของเราว่าได้สร้างสมบรมอะไรมามากน้อยแค่ไหนเพียงไปแต่ว่าต้องเชื่อมัน่น เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นเนี่ยสำคัญมากคือสรุปว่าจะต้องเชื่อมั่นว่าหลักการเหล่านี้เป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสุดแดงไว้หลังจากที่พระองค์ได้ปฏิบัติสัมผัสผลมาแล้วมีบุคคลเป็นอันมากที่ได้ลงมือพิสูจน์ทดสอบตั้งแต่อดีตการมาจนถึงปัจจุบันท่านเหล่านั้น สามารถสร้างความสงบให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของท่านได้ดังนั้นเราก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีคุณธรรมความดีมากพอสามารถสร้างความสงบให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจได้แต่จะสงบเมื่อไรเป็นเรื่องของปัจจัยต่างๆที่จะเข้ามาหนุนกัน แต่ถ้าหากว่ายังอยากให้สงบให้รู้ไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าอยากสงบความสงบจะบังเกิดขึ้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าความอยากนั้นเป็นกิเลสเป็นตัวนิวรณ์เป็นตัวการมาชั้นตัวแรกซึ่งได้สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลมาเป็นเวลานานแสนน้น การปฏิบัติจึงเปรียบเหมือนการเดินทางคือหน้าที่เราเดินก็เดินไปไม่ต้องเร่งให้ถึงถ้าถึงคราวจะถึงมันก็ถึงแต่ถ้าไม่ถึงเร่งยังไงก็ไม่ถึงเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะถึงนั้น <c oughs> สาหรับคนที่เร่งรัดให้ถึงจะรู้สึกว่า <c oughs> เวลามันยาวนาน แต่สำหรับคนที่เดินไปเรื่อยๆเวลาจะถึงก็คือถึงแต่ว่าจิตใจจะไม่เร่ารอนดังนั้นการปฏิบัติเรื่องของกรรมฐานก็มีลักษณะอย่างเดียวกันบุคคลอย่าไปไขว่คว้าในเรื่องที่เป็นอดีตและอย่าใฝ่ฝันเรื่องที่เป็นอนาคต แต่ให้กำหนดจิตระลึกอยู่เฉพาะปัจจุบันเท่านั้นเมื่อถึงคราวส ง, งบแล้วจะส ง, งบได้เองเรื่องของกรรมฐานพระอาจารย์บางรูปเช่นพระอาจารย์เสาซึ่งเป็นอาจารย์พรออาจารย์มั่นอีกทีเวลาใครไปเรียนถามท่านท่านบอกว่าภาวนาไปว่าพุทโธพุทโธเอภ า, าวนาไป ภาวนาข้าวภาวนามากมากพุโทโธพุโทโธทั้งก็พูดบนวนอย่างเงี้ยออซึ่งดูแล้วคล้ายๆกับว่าแม้ไม่น้อยได้เกินแต่แท้ที่จริงแล้วเพียงเท่านี้ถ้าหากว่าคนมีการอบรมกระทําให้มากกระทําบ่อยๆและความสงบก็จะบังเกิดขึ้น การบรรยายการที่แจงการแสดงนั้นเป็นการบอกอุบายวิธีต่างๆนั้นส่วนความสงบจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับการประพฤติการกระทำของบุคคลนั้นๆโดยชฉหลักเหล่านี้พระพุทธเจ้าเองทรงใช้หลักอยู่สามหลักคือไม่ประมาท โอกาสใดที่จะหาความส ง, งบได้ทำซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นพิธีรีตองอะไรได้โปรดเข้าใจว่าวิธีทางกรรมฐานนั้นเป็นวิธีตามธรรมชาติธรรมดาไม่ได้เป็นเรื่องที่จะต้องเข้าวัดฟังธรรมเอาจริงเอาจั ง, อ, จงอะไรหรอกคืออยู่ที่บ้านก็ได้เพราะตัวกรรมฐานเป็นตัวส ง, งบ อยู่ด้วยอารมณ์เพื่อให้ใจสงบจากกิเลสเท่านั้นเองโอกาสใดสามารถสงบจากอารมณ์สงบจากกิเลสได้โอกาสนั้นก็เป็นกรรมฐานเป็นความเพียรพยายามแล้วตอนนั้นแม้จะนั่งไปในรถก็ทาความสงบได้ได้ยินเรื่องอะไรที่ไม่น่าพอใจไม่น่ายินดี ตัดใจไม่ไปคิดต่อก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐานเป็นเรื่องของความสงบเรียกว่าสิ่งอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วก็ให้ดับไปเลยไม่ได้คิดต่อไปจุดปุ่งหมายในทางศาสนาจึงอยู่ที่ว่าพยายามระลึกอยู่ในขณะนั้ น, น, นให้สงบจากอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นเครื่อง ทำจิตใจของตนเองให้ขูดหมวัวทราบมองไปอันได้ชื่อว่านิพจนโดวยวิธีดังที่กล่าวมานั้นไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามเมื่อบุคคลเลือกประพฤติปฏิบัติไปแล้วผลก็คือความสงบจะบังเกิดขึ้นส่วนจะสงบเมื่อไรสงบได้มากน้อยแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับเภตุปัจจัยอย่างที่ว่ามาแล้ว ที่แน่นอนก็คือว่าต้องสงบไม่โอกาสใดก็โอกาสใดข้อสำคัญว่าอย่าอยากให้สงบหน้าที่อะไรที่ตนจะทำก็ทำไปแต่ไม่ควรจะไปเล็งผลเลิศไม่ควรจะปล่อยความอยากสงบเ ก, กิดขึ้นกลุ้มกุงใจเพราะทําไมอย่างนั้นแล้วจะไม่สงบถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วจะไม่สงบไป ก็พยายามทําไปตามที่โอกาสจะอำนวยให้และจะรู้สึกสัมผัสกับความสงบที่มีลักษณะประณีตที่มีลักษณะส ง, งบที่มีลักษณะเยือกเย็นซึ่งโดยปกติแล้วความส ง, งบจิตโดยวิธีอื่นนั้นจะไม่มีลักษณะอย่างนี้ นอกจากเป็นวิธีที่เกิดขึ้นจากปันการปฏิบัติตามหลักของสมถกรรมฐานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสดแสดงเอาไว้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจทําความสงบตามวิธีที่ได้กล่าวมาแล้ว